แล้วเราได้มีองค์การแกร่มูสาและพี่ชายของเขาคือหารุในกาจัดสร้างบ้านเรือนให้แก่กลุ่มชนของเจ้าทั้งสองในอียิปต และจงทำบ้านของพวกเจ้าเป็นกิบละและจงปฏิบัติละหมาดและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาบَกว่าลามูซารับบนาอินน์คอาติย์ทเฟร์กอَนวอมแลหูซี ي ا ทห์วอแอมวานฟิลฮัยยัติดุนียารบบนารบบนาลิยุดลูังศบิลก รั บ, บนั่งมิสละอ موال ของพวกเขาและชดด้ลาก็ลูบิฮิมวกเขาไมิเชื่อจนกวลายะมินูาัตงโทษทีอแสนเจ็บปวดและมูซาได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านทรงประทานความสำราญและทรัพย์สินแก่ฟิรูฮและอวานาของเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ โอ้พระผู้อวิบาลของเราโดยที่พวกเขาทำให้กลุ่มชนหลงออกจากแนวทางของพระองค์ท่านโอ้พระผู้อวิบาลของเราขอพระองค์ทรงทำลายทรัพย์สินของพวกเขาและโปรดทำให้วใจของพวกเขาแข็งกระดา้างเพื่อไม่ให้พวกเขาสถาจนกว่าพวกเขาเจรนการลงโทษอันเจ็บปวด พระองค์ตรัสว่าการมิ่งวอนของเจ้าทั้งสองถูกรับแล้วเจ้าทั้งสองจงดำเนินตามทางที่เที่ยงทังและอยากปฏิบัติตามแนวทางของผู้ที่ไม่รู้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 และฉันคือคนหนึ่งในหมู่ผู้นอกน้อมบัตรนั้นและแน่นอนเจ้าเป็นผู้ทรยศก่อนหน้า น, านี้และเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บดทำลาย ดังนั้นวันนี้เราจะให้ร่างของเจ้าออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณกับชนรุ่นหลังจากเจ้า และแท้จริมงมนุษย์ส <vil> yeah ่วนใหญ่เฉยเมยต่อสัญญาณต่างๆของเรา และโดยแน่นอนเราได้วงวานอิสราเอลทำนักอยู่ณนะสถานที่อย่างดีและเราได้ปัจจัยอย่างชีพที่ดีมากมายแก่พวกเขาแต่นั้นพวกเขาไม่ได้แตกแยกกันจนกระทั่งเมื่อคำพีได้มาอย่างพวกเขาแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า สงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกียามะในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน <S <S หากเจ้าอยู่ในการสงสัยในสิ่งที่เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าก็จงถามบรรดาผู้ที่อ่านคำพีก่อนหน้าเจ้าโดยแน่นอนสัจธรรมจากพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มาอย่างเจ้าแล้วดังนั้นเจ้าอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาด และเจ้าจะเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของอัลลอ์แล้วเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ขัดทุนแท้จริงบรรดาผู้ที่ประดํารัสของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้บัญญัติแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา และวไม่วาทุกสัญญาณเดินมาอย่างพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะแหลเห็นการลงโทษอย่างเจ็บปวด ดังนั้นทำไมจึงไม่มีหมู่บ้านสักแข่งหนึ่งสัทธาโดยที่การสัทธาของพวกเขาจะอำนวยประโยชนวแก่พวกเขานอกจากกลุ่มชนของยุนุส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 และหากพระผู้อยบานของเจ้าทรงประสงค์แน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลจะศรัทธ า, าเจ้าจะบังคับผู้คนจนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธาการะนั้นรยและไม่เคยปรากฏว่าจะมีชีวิตใดศรัทธาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ และพร่มจะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ไม่ใช้สติปัญญาจงกลาวเถิดมัว่าพกเจ้าจงรู้ว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายนั่นในผนิดแต่สัญญาณและการตัดเตือนจะไม่อํานวยประโยชน์แก่กลุ่มชนที่ไม่สถา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 ฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้คอยดูแลแล้วเราจะช่วยบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้สัธาให้รอดผลนเช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่ที่เราจะช่วยบรรดาผู้ัธาให้รอดนแล้วเราจะช่วยบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นเช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่ที่เราจะช่วยบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าอมนุษย์ทั้งหลาย หากพวกเจ้าสงสัยในศาสนาของฉันดังนั้นฉันจะไม่เคารพภักดีบรรดาที่พวกเจ้าเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์แต่ฉันจะเคารพภักดีอัลลอฮ์ผู้ทรงทําให้พวกเจ้าตายและฉันได้รับบัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธาและวัดจงมุ่งใบหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาเที่ยงตรง และจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคกีและเจ้าอย่าวิงวอนขอสิ่งใดอื่นจากอัลลอ์ที่ไม่อำนนยประโยชน์แก่เจ้าและไม่ให้โทษแก่เจ้าหากเจ้ากระทำเช่นนั้นแท้จริงเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้อาธรรม و َ إ ِ ي يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا ِ هُوَ و َ إ ِ ي َّ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 จงกล่าวเถิดโมหะว่าโอมมนุษย์ทั้งหลาย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 และจงปฏิบัติตามที่ถูกเป็นองค์การมาอย่างเจ้าและจงอดทนจนกว่าลอสจะทรงตัดสินและพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินที่ดียิง่ง